270ร้อทำไมคนไทยไม่แยแสที่จะพ้นทุกข์่าอาริยศัสตร์เมืองไทยนี้มันน่าจะมีคนกลูกเกลการศึกษาหาความรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะมันเป็นยอดแห่งความรู้แท้แล้วพากันพ้นทุกข์อันเป็นทุกข์าอาริยศัสตร์ แล้วเป็นประเทศที่มีอาริยบุคคลมีผู้บรรลุอรหันต์นำหน้าประเทศอื่นๆในโลกมิใช่หลงอยู่แต่อัจฉริยบุคคลทำไมคนไทยจึงไม่ค่อยแยแสยการศึกษาที่พาพ้นทุกข์อาริยศัสตว์ได้จริงๆของพระพุทธเจ้ามันน่างงจริงๆ ทั้งๆ ท, ที่ทุกในสังคมแต่ละวินาทีของปัจจุบันแห่งวันแห่งปีในโลกใบนี้มันหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแท้ๆก็ขอตอบทันทีณนะบัดนี้เลยว่าเพราะหาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยสัมมาทิฏฐิได้น้อยแล้วในปัจจุบันนี้ เกือบจะพูดได้ว่าหาไม่ได้แล้วกันปานฉะนั้นทีเดียวที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่ลบหลู่ดูถูกไม่ใช่ด้นเดาไม่ใช่พูดปล่อยเพอเจอ้อไม่ใช่หลงตนพูดอวดดีข่มอะไรอื่นไปหมดแต่พูดตามที่เอาหลักวิชาของพระพุทธเจ้า มาตรวจสอบวัดเทียบกันอย่างละเอียดทั้งรูปทั้งนามประดามีปรากฏอยู่จริงในสังคมมนุษย์โลกปัจจุบันนี้ให้ตรวจสอบได้อย่างเห็นจริงมากพอกระทั่งสามารถวินิจฉัยผลถ้าตามเวลาที่อาจจะมาสัมผัสความจริงนั้นๆมาก็เกินกว่าส5สห้าปีแล้ว อาจจะมาเริ่มทำงานาศาสนามาก่อนบวชผลของการตัดสินจะพอเป็นที่ยอมรับกันได้ไหมล่ะ